วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน2534วันนี้ขอพูดในมุสติตามเดิมดีไหมก็เป็นว่าอายุก า, าการกันการปฏิบัติประกรรฐานจะทำกองใหม่ก็ตามต้องขึ้นต้นเหมือนกันนะั่นคือหนึ่งอนาปานมสา ต, าติถแล้วประการมีสองและมัตตวังนีบอนห้าประการ ห้าเบร์การนั้นมันต้องจินใจคนแต่ว่าเราชนะมันได้เฉพาะเวลาโช ค, คราวถ้าขามาใดถ้านีวอนห้าเบอร์การจินใจตองใดมันก็าตามเวลานั้นจิตไม่มีสมาธิววหัวหน้าร์การก็คือหนึ่งกามาฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลินหอมรสอร่อยสับบะระองเทือกเร์การที่สองอารมณ์ไม่พอใจ โดยการที่สามความงมื่งเมืองโดยการที่สี่ฟุ้งซ่านเกินไปเป็นการที่ห้ า, งา 5, สงสัยในผลการปฏิบัติ <c oughs> แต่ว่าในวัน้าเดืนการิบรรดาตนบริษัทจะชนะมันไม่ได้ตอนนี้นยังไม่เป็นอนาคารีถ้าเป็นท่านอนาคารีจะชนะได้สองตัวคื อ, อข้อหข้อสอกสามข้อจะชนะได้ตอนนี้นเป็นว่าแต่ฝน ว่าธรรดา ญ, ญาติโยมพุทธบริษัททุกคนมีอานชนะคราวเล็กต น, น้อยเพราะว่าขณะที่เรารู้ลงหายใจเข้ารู้ลมหาใจออกเวลาไม่สนใจเวพาะลมหายใจเข้าและออกโดยเฉพาะ <c oughs> แล้วก็คำภรวนาควบจะภาวานาว่าอไรก็ได้ตามใจชอบสาราบตัวเยอหนึ่งมันก็หยุดเลยคิดเรื่องนั้นเร่องนี้ธรรมแทกก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา พอเราู่้ตัวใหม่เราก็เริ่มต้นใหม่ให้ใจเข้ารู้อยู่ที่เอาผู้อยู่อย่างนี้เป็นต้นแล้วต่อไปอุณาระพูดภาาไม่เพียงทจนชินคําว่าชินก็คืออารมณ์ชานที่จะทรงตัวมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องเรื่องเบืองต้นนะเอ๊ะมาว่ากันนั้นผลการปฏิบัติการปฏิบัติทุกคนที่พระเจ้าต้องการก็คือมรรคผล บักผลนสี่ขึ้นหนึ่งพระโสดาสองพระสีทาคาสามพระนาคาสี่พระอรหันต์กา ร, าารปฏิบัติพระอรหันต์เรียบจบก็ปฏิบัติกันไม่เลิกแต่เขาไม่เลิกอกอรหันต์นั้นไม่เลิกเนาะเราปฏิบัติจนเลกเลไปมันก็ไม่เปล่าคำว่า <c oughs> ไม่เปล่าหมายความว่าถ้าเราไม่ได้พระโสดาบัน เราก็ไม่สามารถจะพ้นอะบียภูมิได้บนเรามีอย่างไรแต่ว่าบาปพวกเลายังไม่อยู่ส้าเราอาศัยจิตที่เปนกุศลเล็กน้อยจะมากก็ตามเมื่อถือกุศลก่อนจเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมแต่ถ้าแบบบนวาสนาไม่มาเมีลงมาจากนั่นมันก็คงหลือลุ่ลึกไปเพราะบรรใดท่านพุทธเจัาแสดงหลายอย่าน้อยที่สุดชีวิตนี้ให้รักษาเรื่องของมรรคดาบันไว้ ถ้านาสา ม, มารถรักษาเรื่อรรคดาบันไว้ให้ ท, ทำบาปประมาณสี่ระการเมื่อไรแต่อันนาริกรรมห้ประการาาอนาริกรรมหาปการาากคือหนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สมฆ่าพระราหันแล้วก็สีทำลายสงฆ์แต่กันห้าทำพทเจาห้าพอเลยถ้าถ้ากรรมห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างนไ่นมอยู่ต้องลงมาลูกก่อนแน่ ถ้าการรมหางนี้ไม่มีบรรดาธรรมพุสัตวถ้ารักษาหของพระโสดาบันไม่ได้จะไม่ลงใบพวงแล้วก็ไม่ลงทุกชาติจะก้าวหโสดวันนี้ผานเมืตามวิขิตแบบปฏิบัติที่พระเจ้าสมบัติไว้หรือว่าหอับัแรกเพาบรรดาญาโยพุทธสัตเข้าใจในสัญญอดุประการคาว่าสัญญอหลายที่ฤีพระนเรศร้รักใจ ให้ต้องเวียนไหตายเกิดในวัฏฏะยวเราจะต้องค่อยๆตัดตัดทีละ น, น้อยถ้าเราตัดบ่อยๆตัดไปเสมอเสมออันดับแรกุ็ไม่ได้ลืมบ้างเผลอบ้างเป็ของธรรมดา <c oughs> สำหรับไปโสดาบันพระสงฆ์ทางธมีตัดสัญญาโดยสามข้อขึ้นหนังสกายดิจิิสองวิจิกิจชา สามที่รพระตถาปรามาจ เ, เรืรอ่องไหมฟังรู้แต่เรื่องไม่รู้นะศึกกายวิธีคือตัดร่างกายเพราะต้องตัดตามพระบาลีทิ่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระโสดาบันก็ดีพระสีทาคามีก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีสิ้นบริสุทธิ์ต้องจำข้อแน่ดีนะ ไม่ใช่ไปต้องมีสมาธิหนักแน่นเกินไปและปัญญาก็ไม่ต้องสูงเกินไปแต่มีสินบริสุทธิ์เพราะว่าเปโสดาบันพระศิษยาภิบาลมีนี่ยังเป็นครืงรองเดินอยู่ถ้ามีสามีปัญญาแล้วก็อยู่ด้วยกันตามปกติถ้าคนไม่มีสามีปัญญาก็อ ย, อยังแต่งงานได้ถ้ามีแค่สินห้าสําหรับเปโสดาบันก็คืนหนึ่ง พระสงฆ์ทางธรรมมีเหมือนกันนะมีความรู้สึกว่าชีวิตีต้องตายนี่เป็นสกาญทิฏฐิในการที่สองมีความเคารพในพระเจ้าแต่พระธรรมพระอริยสงฆ์แน่นอนไม่สงสัยในการที่สามมีสินห้าบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมับปฏิบัติถ้าเข้าถึงปัจะสะดาบันจะมีจิตใจรักพระธรรมวิพานเป็นอารมณ์คือต้องการจุดเดียวคือพระนิพพาน อางนี้จะเป็นประโยดาบันหรือสังทาคามีท่านละลายทั้งสองอย่างตาไว้ถ้าเป็นพระนาคาเม่ก็ตัดอีกสองเป็นห้าคือหนึ่งกรมไฉันทะสองปฏิฆะ ก, การมไฉันทะหมายความมีไม่มีความรู้สึกมาทางเพศปลดความรู้สึกปฏิฆะอารมณ์โกรธไม่มีไมโกนี่ะเรียสี่ ต่อไปก็ถ้าจะเปละหันก็ต้องตัดทิศห้าคือรูปราคะไม่หลงในรูปใบชันอารูณราคะไม่หลงในรูปใบชันมานะไม่ถือตัวไม่ถือตนเพื่อจะเอาไม่ฟุ้งซ่านอวิชชาไม่ติดในขันห้าไม่ติดในโลกที่โลกเป็นโลกมีจิตต้องการมรรคภัยอย่างเดียวไม่เนแม่บอกให้บรรดาเพบริสัท์ทราบ เพราะการปฏิบัติต้องรู้จุดจบถ้าเราไม่รู้จุดจบเขาจะแนะนำให้นั่งไปเขาปานทางสมาธิไปทำไปทำไปก็แค่นั้นแหละถ้ามีแต่สมาธิเป็นสมถะภาวนาอย่างเก่งเข้าไปได้แค่พรมแล้วจะกลับมาเกิดใหม่ฉะนั้นจงขอบาาัรดาลจะพุทโธสัตย์ไหลยึดอารมณ์ประโสดาบันะป็นเกณฑ์ เป็พราะอย่ายิ่งกันบอกว่าองค์ของพระโสดาบันคืออารมณ์ที่สงใจพระโสดาบันอะไรสี่หนึ่งระภวติเจ้าสองขรรภธรรมสารขรรสงฆ์แล้วสมีสิบห้าบริสุทธิ์แคมนี้พอไหวัหยไหวนะไม่ยากนะตอนที่นั่งในไม่ยากนะกลไปบ้านในแน่ คามจริถ้าเราไม่ยากสักวันละสองชั่วโมงใช่ไหมทุกวันคุมตัวให้ได้วันละสองชั่วโมงมันก็ไม่เกินสามเดือนมันสนตัวได้เลยทั้งหมดค่อยๆบังคับมันจะบังคับบรรแลงนักถ้าเพื่อวิธีปฏิบัติก็จะง่วงนอนเกินไปเล่าในทานดีไหมแน่นี้ยิ้มบนแถว่าเด็กๆฟังในทาน เพราะว่าคนที us, ่เป็นเาโสดาบันหรือพระอริยเจ้าเนี่ยโดยมากตัดสินใจกันไม่ถูกที่ว่าพระอริยเจ้าทุกองค์คําว่าทุกองค์นี้พุดพระก็ดีเพ็มก็ดีผู้หญิงหรือผู้ชายพอตามท่าเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่เราโสดาบันไปไปพระเจ้าสงสิบพระถ้าพระสงฆ์ที่บอกกันมาพุทธศาสนายังไม่ได้ไปโสดาบัน พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสมมติสงยังไม่ใช่พระยังไม่มีความแน่นอนเท่าทุกคนที่นั่งที่นี่ถ้าใครได้เป็นโสดาบันถือว่าท่านอีกเป็นพระเป็นพระตามที่พเจ้าทรงยกย่องถ้าอยากเป็นโสดาบันขึ้นไปในบางท่านจะคิดว่าทุกท่านที่เป็นโสดาบันแล้วยัมีแต่ความเบ ร, ร้อยคุยไม่เสียงดังเหมือนเมื่อกี้นี้ กูแล้วไม่ลุกไม่นั่งเมื่ยอไหร่ฉันไม่ได้ยินทารนะผู้ต่อหน้านะ <c oughs> ความจริงเาโสดาบันและบุคคลธรรมดาก็เหมือนกันหมดเส้นจะกดของกรรมแต่ว่าตั้งแต่เาโสดาบันขึ้นไปท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องลงอบายภูมิพระบุญหนักจิตเบื้องต้นนะทต่ด้มีบุคคลบางคน มีความประพฤติที่เราพวกเราเห็นตธรรมดาโอเนั่นมันชั่วมากรรมีประสวดดาบันนะฟังไหมที่เราคิดว่าตามธรรมดานะี่ยเราคิดายู่ว่าคนนี้ชั่วมากแต่ใครบอกว่าปเป็นประสวดาบันเราจะไม่เชื่อนั่นคือพัญญาของพงร่งกูตุมิตรตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงอยู่ที่พรเบรววรวันไ้กลว่าในเช้าวันหนึ่งข่มแพร่งกูตมิตร ค่าเนื้อค่าสัตว์ได้แล้ววอาเนื้อมาขายที่ตลาดเวลานั้นก็มีธรรมหาจฤทธิท่านหนึ่งมีบุตรสาวยี่สิบกปีก็จัดให้อยู่ประสาทชั้นที่เจ็ดคือบ้านชั้นที่เจ็ดน่ะมีหญิงรับใช้คนหนึ่งไปเพื่อไปจำตัว้วเมื่อลูกสาวธรรมหาจฤทธิทเปิดตต่างไปนั้นข้าวเห็นผานเข้าก็าเกิดความรักง่ายเกินไปไหมฮห ไม่แม่นะาอาจจะหมักทอดเขาก็ได้นะก็เกิดความรักขึ้นมาจึงส่งเครื่องบรรณาการคือให้รางวัลเอาของอย่างใดอย่างหนึ่งส่งให้คุนชัยสาวพอไปให้คนขายเนื้อนั่นแล้วถามว่าเขาจะกลับเวลาไหนเดี๋ยวนี้คนหญิงคนชายก็ไปให้แล้วก็ถามจะกลับเวลาไหนเขาบอกว่าในวันพรุ่งนี้เช้าตรู่เขาจะกลับออกทางประตูเมืองประตูโ้น แม่เธอได้ทราบกลางคืนยังปลอมตัวตอนเช้ามืดปลอมตัวนื่งผ้าเก่าเอาเครื่องละมันมาทาตัวให้ผิวผแตกต่างไปถือว่ถือก็กระ บ, บุ่งอลไรกันใส่เสื้อผ้าได้ไปพร้อมกับพวสาวใช้ที่ทำ ง, งานในตอนเช้ามืดจะมีคนใช้ละมันแบบเช้ามืดไปดักทางคันว่ารถพายขัดเกลื่นไปถึงเข้าเธอขออาศัยเกวียน ชายก็คิดว่าหญิงคนนี้ไม่ควรจะไปกับเร า, าเขาบ อ, อกเธอไปเองก็แล้วกันออกเธอเธอก็ในที่สุดเธอขอไปด้วยเขาเลยรับไปเมื่อรับไปแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันดปวยสามีปัญญาอันประโสดาบันนะหญิงคนนี้เป็นประโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีต่อมาก็มีลูกชายเจ็ดคนไม่จะให้หวยนะเ <c oughs> จ้าโสมาดียรุนี้จด มีลูกชายเจ็ดคนแล้วก็ต่อมาก็มีลูกสะพ้ายเจ็ดคนเป็นครรภธรรมดาใช่ไหมวั น, น, ววนหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจวัตถุใสของสัตว์ในตอนชาวมืดก็ทรงทราบว่าคนสิบห้าคนคือถ้ามันไมพลยยังอุทานิคโดยผู้เป็นพ่อหนึ่งคนสองลูกชายเจ็ดคนแล้วสามลูกสะภ้ายเจ็ดคนรวมเป็นสิบห้าคนด้วยกัน วันรุ่งขึ้นพูงนี้ถ้าเราสมเคราะห์จะสำเร็จพระเสดดาปฏิผลมี่ฟังแล้วช่วคิดดีนะพระราในข่าสัตว์ทุกวันใช่ไหมเมืคนที่มีบาปอยู่ยแล้วก็จะคิดว่าเราสามารถจะหนีบาปได้บาปเรล้างไม่ได้เราหนีได้ลกงดูตัวอย่างนึกนึกไปแล้วกันฉะนั้นเวลาเวลาตอนเย็นในพรายก็เอาบวงเอาแล้วไปดักสัตว์ เอาคือมองค์สมเด็จพระสงฆ์สบติโสภาคก็เสด็จมาอยู่ใกลใๆ้ๆใกล้ๆคือว่าดักสัตว์ในท่านดักแล้วกลับบ้านพระพ เ, เจ้ากระซงบันดาลให้สัตว์ทั้งหมดไม่ผ่านมาทางนี้ก็เป็นว่าวันนั้นไม่พรายไม่ได้สัตว์แม้แต่ตัวเดียวออกไปในตอนเช้าวหวังจะได้สัตว์ก็ไม่ได้ลกแปกใจเดินไปเดินมาเ ด, ดนมองบามองไฟแล้วเห็นพระพุทธเจ้านัาง่งอยู่โคนต้นไม้ เลยคิดในใจว่าเจ้าโลนี่พบทีไรไม่ได้สัตทีวันนี้เอาไว้ไม่ได้ตรงขาจึิงโกงา น, นูขึ้นมาหมายจะยิงพระเจ้าสอยฐานว่าเธอโกงได้แต่ยับลอยใช่ไหมก็เลยโกงแบบนั้นโกงไม่ลดลดไม่ลงต่อมาสายหนักข้าวท่านแม่ก็แปลกใจ ว่าทำไมพ่อจึงหลับช้าสั่งให้ลูกชายเจ็คนไปดูกลัวอันตรายจะมีกับพ่อลูกชายก็ทราบว่าพ่อไปดักสัตว์ทําไมเขาไปทํานั้นก็ไปเห็นพ่อโกงธนูจะยิงพระพุทธเจ้าเขายังไม่รู้จ้กพระจพเจ้านะก็คิดว่าคนนี้คงเป็นศัตรูของพ่อก็ต่างคนต่างโกงนโธนอีกพระเจ้าสงถามว่าเองโกงเถิดยู่จะปล่อยให้โกงนานๆเมันแย่เหมือนกันนะ ถ้ามาบอกให้หายเมื่อยดิอให้โกงแล้วไม่แห่เมื่อยตามมามาตามสายเกินไปทั้นแม่ทั้งลูกสะพ้ายเรสงสัยว่าต้งลูกต้งพ่อไปครับก็ไปดูกันอีกไปเห็นทั้งตายคนกำลงังโกงท่าเราจะยิงพระพุทธเจ้าท่านแม่จําพระพุทธเจ้าได้ก็ราะฟังเทศเจ้พระพุทธเจ้าอยู่ก็วิ่งออกไปร้องตุ๊บตุ๊บอย่าฆ่าพ่อฉันจะ่าฆ่าพ่อฉันนี่วิ่งไปกราบพระพุทธเจ้ากราบพานเรคิดไปใจว่าตายจริง เราไม่รู้จักอตาใช่มั้งที่เนาไม่รู้จักกเรื่องใครอยู่ไงเราไม่รู้จักกตาไม่ยิญญพ่อตาเราเนี่ยเราไม่ไม่เปเรื่องไอ้พวกลูกๆไปคิดว่าหนึ่งตาเป็นพ่อแม่ของเราเราจะฆ่าตาขอเราไม่ใช่ไม่ได้เมื่อจิตลดลงพระเจ้าทรงปล่ออารมณ์ว่าขอทุกคนจะลดมือลงได้เมื่อทุกคนลดเมือลงได้ก็แต่งคนแต่ไปกราบเห็นแม่กราบนี่ะ นูกราบด้วยคุณพ่อเขาตามทกกราบด้วยไมาวิสุทธิพุทธเจากก้าก็ทรงเทศเทศเอ ย, ย่างไรรู้ไหมสินห้าเทศก็สินห้าเพื่ออดสมเพื่อสินห้าเขาโทษมสินห้าอย่างสินห้นนน 5, นนนานเนี่ยฆ่าสัตว์ชีวิตข้อที่หนึ่งตายแล้วต้องลงเป็นสตรรกเป็นเปรเป็เสือกายเป็นสติชัน เกิดมาเป็นค น, น, คน ก, ากา็ต้องเป็นคนมีอาการป่วยไข้ไม่สบายในการผู้เบิร์ภาพนี่เป็นโทษถ้าสิ่งที่เป็นคนถ้าเราเว้นจากชินาบาลนาธิบาตตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างมาเกิดมาเป็นคนก็ไปเกิดเมือมีโรคน้อยมีรูปรหน้ า, าตาสะสวยมีอายุยืนนานถ้าเว้นจากข้อทสองอธินาทาน ถ้าเราเติมเมือวันที่มาทานเกิดเป็นชาติใหม่ตายแล้วก็ไปโดนนรกเหมือนกันขึ้นมาเป็นเปลืประสู่กายเหมือนกันถ้ามาเป็นคนไฟจะไหม้บ้านน้ําจะท่วมบ้านลมพัดจะ บ, บานพังจะมีฝนตกนโจมน้ำ จ, จะล้นบ้าน <c oughs> ถ้าเราเว้นทรัพย์สินั้นหลายจะไม่เสียหอยจะพันตราทั้งสอย่างจะน้ําจากไฟจากลมจากโจร ถึงข้ี่สามถ้าเราวะเมิดลงมาลกได้ขึ้นมาเป็นคน <c oughs> ถ้ามาเป็นคนเป็ น, น, นบุคลจะว่า ย, ยากสอนยากมาอยู่ใน ว, ว่าถ้าเรารักษาไม่ได้จะเป็นคนมีวาจาดีทีรักของบุคคลรับฟังนี่สิงข้อทีสี่ขอโทษนะสิงข้อที่สี่ถ้าละเมิด คนในปกครองจะว่ายากสอนอยากถ้ารักษาไว้ได้คนในปกครองจะปกครองง่ายไม่ดื้อด้านเนี่ยถ้าสิ้นข้อดี่เราเมิดแล้วเรามารกเหมือนกันถ้ากลับมาเป็นคนใหม่ก็จะมีวาจาดีวิธีรักเขาบคุคคลเพืรับฟังถ้าศิลนข้อดีห้าถ้าเรเมิดเรามารกเหมือนกันถ้าเกิดขึ้นมาใหม่จะเป็นคนรบท่าอย่างน้อยเมาน้อยเป็นปุถุสชาบ่อยๆ ไม่ใช่ก่อนเมามากม่า น, นี้ถึงก็เป็นโนรคสมองศาสตร์เมามากเกินไปก็เป็นโรคบ้าในที่สุกว่าเจ้าพระรงท้าว่าืีอเลยระศุกะติมยันติบุคคลใดถ้ามีศีลจะมีความสุขไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหนา้าชาติปัจจุบันก็มีความสุขชาติหน้าก็มีความสุขมีกายเกิดบนสวรรค์เป็นต้นชีเลนะโหระชนาทา บุคคลใดมีสินห้าบริสัทบุคคลนั้นจะมีถ้าตายจะควาเป็นคนจะมีทิปสมบัติมากโตกมาเป็นคนก็มันเป็นคนร่ำรวยซื้อเลยเลนั้นคือปฏิย่าติบุคคลที่รักษาสินห้าได้ไปพันธุ์ผ่านได้โดยง่ายไม่จิดอารมณ์สงบเมื <c oughs> อ่อฟังจบ ก, ก็ได้กว่าคนทั้งสิบห้าคนเป็นบระโสดาบัน <c oughs> แต่แม่ไม่ได้เรือน ไม่จะเล่นเป็นพระศรีธาตุขมีจะเป็นพระโสดาบันตําเดิมตอนนี้เมื่อพระเจ้าทรงเปิดคนนับถึงห้าคนเป็นพระโสดาบันแล้วข่าวนี้ก็เข้าไปถึงพระเพราะตอนกลับไปพระนมาถามว่าเมื่อเช้าพระองค์มา่อคืนไม่คงเสด็จไปไหนมาพระพระเจ้าก็บอกว่าเมื่อคืนไม่ได้เปิดคนสิบห้าคนแต่ตอนเช้าก็เล่าไปว่าโนตัง เพราะพระนสาบนี ม, ามาาาั น, าานมาภระจะต้องสงฆ์น้อยก็สาดพระสงฆ์ก็เลยมาคุยกันแต่เราเผดุสมอาการทึ่หนึ่งความรักสองคนที่เป็นประสวาาดาบันอยู่กับพรานท่านก็กลัวา่าความรักมาเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อทุกคนนั้นเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีทรัพย์ตั้งแต่สิบโกด กับในพรานที่ไม่เคยรู้จักกันไปก่อนเห็นเขา้าแล้วมีความดักต่างไประดักเขานนะั้ไม่จะติตานเข้าไปนะแล้วคนที่เป็นปศดาบันอยู่กับกนอยู่กับในพรานในพรานเป็นของขาเนื้อข้สัตว์ในพรานก็จะใช้หยุดหอก บ, บงังหยุดธนูหน้าไม้บ้านหยิดบืองบาง้าของธรรมดาก็ถือว่าพรปศดาบันยังร่วมทําบาปกับในพรานอยู่พระองค์สำเร็จข้อดึงครัวทรงทราบว่าสำร็จไปที่นั่น เมื่อทัพนั่้ก็ถามว่าพุกเกวดูกรวิสุจหลเทเสนน า, ายจะไมเรียกอะไรเมื่้วาวจีนท่านรหมดแล้วนะแล้วเป็นระเบียบต้าถามแล้วก็ไล่ฟังถ้าจากระงจาใไ้เพิ่ความรักก่อนเพาความรักมันเกิดสัเเหตุต้องสามรการขึ้นหนึน่งตุณวาทสองการเกือ้อกูลในปัจจุบัน ถ้าเราคัดลับปเพลกันนี้ว่าติดจะเกิดความรักจะเกิดขึ้น ท, ทันทีเมื่อพบกันและก็ไม่สามารถจะแยกตัวกันได้สำหข้อที่สองไม่เคยมีสามีพัญญามันเป็นใช่ก่อนแตาสายกันสุคราชซึ่งอะไร ก, กันเกิดควา ม, วามรักพันรับเกิดขึ้นได้แต่สําหรับที่พัญญาเป็นไดโสดาบันแต่สามีเป็นแพรน <c oughs> สามีสมังเกต ทนูหยิบหน้ามา้าหยิบหอหยิบบ่วงเพื่อจยบักสัตว์ฆาสัตว์ยันรู้เขาถือว่าเป็นโสดาบาันโรคในการทำบาป พ, พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ชสงสัยจำไม่ดีนะไม่ไดตอบเขาได้นะพระเจ้าบอกไม่ใช่แต่เาทำตามหน้าที่วิปัญญาเม่แม่สามลูสั่งเขาก็ทำเธอจะมาหยิบหอกว่าเธอก็หยิบ ยิบบองมาเธก็หยิบหยิบต้ตตนน้าไม้มาเธอก็หยิบเธอจิตใจไม่ได้คิดว่าจงไปฆ่าสัตว์เชือเป็นหน้าทีา่ของพันยายาโดยเฉพาะเชืมนจะเถี่ยพันยาทำบาปลูกโดยไม่ได้แต่บรรดาญาโยมพุทธวสตรลายการสังเกตพระอริยเจ้านี่สเกตยากเอานี้ดีกว่าเล่เป็นทาจช <laughs> เราไม่ยินทาจะมาเล่าสูตรบางตังก็ยอย่าใช้เอาไว้แต่คําชมอย่าใช้คําติใช่ไหมคาชมหรือคําติในความจริงไม่ดีทั้งสองอย่างแต่ถ้าเวลาจะใช้จริงควรใช้แต่คําชมอย่าใช้ติถ้าเราติเป็นการสร้างศัตรูการชมเป็นการสร้างมิตรอย่าน้อยที่สุดคนที่ถูกคําชมก็ยังดีใจเป็นคนธรรมดา <c oughs> ทานนี้รเริ่มด้วยพระอรหันต์พระาหารันาาคำงแลนคำติไม่มีความหมายท่านไม่ต้องการทั้งการชมและการติแต่ว่าเป็นการป้องกันตัวเองก็จงอย่าพยายามติเขาเพราะการติเขาเนี่ยมันเป็นภัยกับเราในชาติต่อไปอะไรไหมสมมติว่าเราติเขาว่าปเป็นคนบ้าถ้าบังเอิญพระนั้นเป็นพระอริยเจ้า ชาติหน้าเราก็บาหาบ้ารชาติถ้าดูตัวอย่างไล้ได้นน้อยเขาแค่เด่นแบบจ่นักวิทร์คุณตรรานักวิตรรามนเป็นเงื่รับใช้ของพระราชาพระราชามีความรู้นพระปฏิเเยพระเจ้าองค์หนึ่งที่เวลาออกพรรษาก็มันท่านมาจำมันจำบ้านใกล้ๆอยู่เขาไกล เขาบรรดาหญิงร an ับใช้ของพระราชากุติตราปร้องคล่องมากแม่แม่อพระบัเจพระเจ้ามาพระราชาต้เรียกต้องเรียกขุติตราไปใช้แต่มาบรรดาเพื่อนๆไม่เคยเห็นพระบัจเจพุศลเจ้าเลยเพราะมันมีสิทธิ์จะเข้าไปไปที่นั้นก็ถามกุติตราว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระราชาของเรามีความเคารพถ้ามีรูปร่างหนาตาลักษณะท่าทางเป็นยังไง คนจาจตนาแทนที่จะบอกว่าพระพุทธเจ้าคนนั้นหลังค่อมผือดำหลังค่อมก็ไม่บอกทำผ้าแล้พระผู้เจ้าขมราชารับว่าลักษณะอย่างนี้เขาหิบผ้ามาผนมจะเสียบาดเข้าแล้วขันมาถือเข้าทำเป็นบาดแล้วเดินทําหลังโกงหลังคอมว่าพระผู้เป็นเจ้าขมราชารับว่ามีลักษณะอย่างนี้ เพียงแค่เท่านี้แะลกรณบุตร า, ราต้องไปอยู่ดัขงข้อมห้ารอยชาติดีไหมนั่นความจริงเขาไม่ต่างใจนินทาเนี่ยทท่าให้ดูนะแกคงเป็นนักสแสดงใช่างนีตอนนี้หากว่าท่านผู้ใดผู้หนึ่งเป็นพระอริยเจ้าถ้าบังเอินเราไปใช้เขา้าผลมันก็เกิดสองอย่างท่านหากว่าท่านปฏิบัติตามเรา เราต้องลงมาลบขอโทษถ้าปฏิบัติตามเราเราต้องเกิดเป็นท่านเขาห่ารอยชาติถ้าได้ปฏิบัติตามเราต้องการเราโกรธเขาต้องลงมาลบก็ตัวอย่างคุตตราเหมือนกันคุตตระเขาบอกว่าสมัยหนึ่งเป็นลูกของมหาเศรษฐีเวลานั้นพร้โกวิจุาที่ทรงมีเป็นพระอรหนันต์มาที่บ่ายเขาเถอ คือพระางแต่งตัวพระนางวิสเนี่ยก็มานั่งคร่อมระหว่างกลางพอดีคือเพรื่อแต่งอยู่ทางนอนบุตรายคมนี้ทานั่งกลางแล้วเมื่อเธอมีความต้องการเครื่องแต่งตัวก็ยกมือไหว้ขอไผเพราะวม่เจากขาประทานอภัยแต่โปรดยุดก็เช่าเครื่องตัวเห้หมดชันทีนาวิสุทธินี่ยท่เป็นพระอรหันต์ท่าทราบว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามใจเธอเธอเกิดเธอจะต้องลงนรก ถ้าเราตามใจเธอเธอต้องเป็นทาสก็ห้าร้อยชาติการเป็นทาสห้ารอยชาติดีกระรองรกยื่หยิบให้ด้วยความเมตตาในสุดเกิดมาพยายามมาขุดรากก็ต้องเป็นอย่ารับใช้เขห้ารอยชาติดีไหมไม่ดีสักอย่าง น, นนะถ้าเราเป็นทาท่านเราก็ถูกเป็นทาทุกชาติเราไม่เป็นทาท่านเราก็ถูกเป็นทาทุกชาติใช่ไหมเราเป็นทาท่านแบบไหนเราต้องเป็นแบบนั้นนะ ถ, นน ถ, ถ้าเราเรีนทายคนธรรมดาเพียนี้ว่าชาติหน้าเราถูกเรนทายเฉยๆถ้าพระอรยเจ้าเราว่าท่านบ้าเราก็ต้องไปบ้าแน่นอนเราว่าท่านเป็นสโสเภณีถ้าเราก็ต้องไปสโสเภณีแน่นอนเราหาว่าท่านเป็นยังไงเราไอ้ปากเราว่าเป็นยังไงเราต้องไปไปทำนั้นก็อกกย่าว่าได้ดีกว่าคือเราความว่าคาเรีนทายเรสนเสริญทั้งสองด้านการทุกคนอย่าถือเป็นสาระ แปลว่าถ้าจะพูดให้ใช้คำร่ำเสวนให้มากหรการลินทาจะได้ปล อ, ภอดภัยอันดับบรรดาญาโยมพุทธวิสัตถนัยเวลานี้มาถึงเวลาแล้วที่จีเรงกรรมฐานตอนนี้ใจบรรดาญาโยมพุธทธวิสัาาตถุท่านตั้งใจสมาทานสิ่งที่มาทานและกรรมฐาน